ลังกาอแสดนก็เหือยจริันไลังี่มาเป็นตัวเอกที่ห้าสิบเกเท่านี้ตัวละครมันก็เกิดง่ายๆอีกถ้ต่างตัวเรกว่ากำลังตอนนะคือ ทางเลือกมันต้องเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นกันทางเอาเกินทางอสาระไม่ว่ัทางออเน่้นจะมีหล่ากไรสาระพักมาเริ่มใหม่ติดาุธเป็นสุด คุณเป็นนัแสดงต้นแสดงคำสองคำนี้เป็นแสดงตนกับแสดงคำอันนี้มากกว่มีแต่เริ่ตนเรื่ออ่านปรกอนาย่างนั่นเป็นแสดงตนเนผู้ริ่าแสดงคำ แสดงวามความเป็นจริงแสดงเแสดงผลแล้วก็ความจริงของค์ประกอบที่เป็นการแสดงทางจะทำให้เราได้เรียนรู้ให้เราตอบตัวใจตรงกันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตเกิดแอายุ แค่เราก็าจะใจตรงกันจะได้เป็นไปทิศทางเดียวกันจะขอมเป็นไปคืชีวิตชีวิตแต่ควรจะเป็นไปอย่างควรจะประพฤติปฏิบัติโดยใช้ชีวิตอย่างไรทำสงองตัวอายุอายุที่เราได้มาคือการเวลา ก็คือเวลาที่รก็คือภาษาต้าเรียกว่าสัตยากระบะสัตยาอาจดำเนินไปด้วความสบายเช่นธรรมะสัายาที่ไหนที่คุณทำ มีทำเข้าใจเรื่องแล้วก็ปฏิบัติที่งเนพยายามทมาต่อไนะไม่เจอประสบการณ์ที่บกติคนนั้นคนนี้คนนั้นอาจจะต้องพ่ายามสบายที่อยู่ล้วมันสบายไม่ได้ขัดข้องไม่โมโหม้อ อันนี้สบายะสบายค่ายๆคือประมาณใช้ชีวิตพอประมาณรู้จักประมาณกับเพื่อนถ้ามันพอประมาณพอเหมาะเพื่อ ว, ว่าประมาณมันจะมีมันบอกไม่ได้เท่าไรไม่ได้ประมาณมิงานก็ไม่ประมาณไม่ได้ จนมากน้อยน่นจะอยู่ในประมาณเป็นต่ำสุดประมาณสิบบาทอาจจะไม่ถึงสิบบาทอาจจะเกินสิบบาทมาบะสิบบาทก็ประมาณนี้เมือนั้นเกี่ยวประมาณการใช้ชีวิตชีวิตต่างๆประมาณย่างเป็นประมาณทีือะน่าจประมาณนั้ไม่ลังเล อดีตไม่ได้เอามาใช้ได้กับผู้อื่นเมื่อดีตไม่ได้เอาไปใช้กับผู้อื่นการกระทำทำมันสุดโตรงไปมันมากไปหรือมันน้อยไปก็อดีตไม่ได้นี่คือเราประมาณเช่นการกินกินยนอะไรที่เดินไป สุดท้ายถ้าเรามารู้จักาำว่าประมาณร่างกายมันไม่บอกเราเองว่นเข้าไปเสร็จแล้วประมาณนี้นะเกินไปกว่านี้ไม่ได้นราจะออาคเดินี่จะนมาประมาณคือร่างกายพอแตงโมพอตั้งาจมีพอึ้นมากไปกว่านี้ไม่ได้การเาไอาหารมันเป็นประยชนแต่มาก็ต้องกาแต่ละวัน แต่เรื่อ้เมื่อหนึ่งสามมันก็มีประมาณที่จป็นแับ ม, มีสารต่อมาีอันนี้กำลนงตัวยาต่อสารนี้ปริยาจะเกิดว่าจะมนสารอาหารกินยังไงที่ันตัวประโยชน์กินยังไงทุกอย่างต้นงเป็นจากตั ผู้เชสอนตราโดยเฉพาค่ะสอนให้เรีนการมีการเชียวกันอ้าปากแต่บนนี้เราต้องทำเชีายวมเรียดและหาเนกิดรยเงินร่างกายมันสไปครับมาวะสไปทำไป้ว่นาร่างกายมันก็ไม่ทางานน่ะ นอกจากนั้นก็จะไปเอาที่มันร่างกายมันก็มยากมันทำงานลำบากเพราะอายุใช้งานมันก็จะน้อยลงมันจะเหมือนขึ้นกับขึ้นคนทั่วไปถ้ามันเกินประมาณเกินมันหนักมันหนักไปยึดแต่ใช้งานมันก็หมดเลยเสื่อมไปจากการใช้งาชีวิตอยู่กับตัวเองของเราก็เช่มีกันที่มันมากไปก็เสื่อมไป อย่างอวัยวะเทียมอยู่ถึงปกติโดยสภาพของมันมันก็เสื่อมทุกวันอยู่แล้วแต่เรามองม่เห็นความสุ่โดยชัดเจมนี่ถือว่าเรียนรู้จัเวลาเรือการจริงๆนะรัว่าการงเวลา มันก <inaudible> so ็คืออายเองตัวการหรือชีวิตตนนี่น้องเราเริ่มต้นจากการนับการเกิดนั่นคือจุดเริ่มต้นมาไปชีวิตนี้ใช่ไหมจะับจากการเกิดโดยชาตาโตไปเลยแต่ถ้ามันอะไรอุบัติเหตุอะไรมาแล้วาเพราโดนีวมันจอเกิดกับเรา เื่อวรหอะไรก็แล้วแต่ร่างของคนร่างของหญิงร่างของชายร่างที่ทำเสจมืก็ไปสิ้นยู่ในร่างกายมีปฏิสนธจิตวิญญาณมันจะเริ่มร่างกันต่างกับรุปสภาพกัวเอนเริ่มต้นจากเวลาที่เราอยู่โลกนี้่จะทำเต็นสิ้นตัวของเวลาตัต่าง ตัวยังระยะเวลาระหว่างเกิดจนเป็นตายขึ้นเท่าไรไม่รู้เราอยู่วัฏจักรอยู่ระหว่างนั้นแต่ละคนไม่ได้เากันปรกภาษาเกิดไปแล้วบลปนโอเว่มาก็ไปแล้วปฏิสุธีวลาเกิดยังไม่รู้เลยว่าจะผานไปเองเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงยังไม่รู้ไปแล้กิดออกแก้าไปแล้ว ไม้ใช่แล้วนะแต่ละอยู่กับปิสุขต่ประมาณเท่าไหร่ซึ่ง้าที่ที่ที่เขาอุรนั่นละเพราะฉะนั้ก็แสดงว่าหมดอายุคืออายุไขเจอหมดอายุหมดอายุสหรับติ่มันเข้ามาอยู่ระลางนี้ในชาตินี้แต่ตาจากนั้นไม่ใครทิดว่าจิตจะมันจะไปไหนก็ แต่ประชุมมันหมดอายุมันอายุสายแต่ไม่อายุของรมันไม่ได้มากทุวันเม่ต้องพูดถึงร้อยน้อยมากอาจจะมีแต่ว่าน้อยน้อยลงมาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะอยู่เพื่อทำบางเรื่อกับตัวเองมันสั้นมันน้อยบันไน้อยมากร้านมันอยู่สะอาดมีเวลาไม่เนี่ยไปงเตรียม เดี๋ยวกอนรอาเป็นความดีทํา ท, ท, าทานนี่ร้ามรไม่เป็นไรเข้าไปร้านไม่รอใครเข้าไปเขเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนไหนที่คิดนี้ได้ก็นนนนนนคือรอเ่าใช้เวลาอยู่ประโยชน์เวลาคือสิ่งที่แบบตักปลาได้มาตื่นเต้นได้มาตื่นต้น ในขณะเดีกันถคนไม่ใช้เขาเลยเขาที่เราได้มาปีแต่เราไม่ใช้มันก็้ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเวลาก็เสียไปป่ะเสียไปห้าสิบปีหกสิบปีแปดสิปีเก้าสิบปีแล้วีชีวิหมดไปเฉยเฉยมันไม่นีเลอไสุดท้ายก็คือ ทำตัวอย่างไรให้ดีสุขภาพดีสตางคเปิมุ้งคนที่ตุ่มาจันเขาจะได้หันมุ้งเขาไม่จปฏิบัติปุ่มตรงปฏิบัติมันเะตมต้มมาเขาไม่มีเจต่าอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นภาษาอะไรนี่ะเป็นความี่ิีหรือเปลเป็น เพาสุดาบังท่านก็ยินดีดีตรากระการจ่านก็ยินดีอนาคตอะไรอย่างนี้มันมีเลยมันมันไม่ได้ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็อ่านตามให้หมเลยที่นี่มีอะไรปรากฏเลเพราะนั้นพระตระการตระการตางๆท่านก็ยินดีแต่ไราใช้อย่างมีสติ การอ่านอะรเต็มนะไม่ใช่เราเขียนให้ดูลเอียดก็แน่คือจะทำแต่จะเป็นเรื่องงต้องหา้เวลาก็คือใช้ความผิดน้ำที่จะใช้เวลาแต่จะได้จะเี่มพูดยังไงที่เป็นเผยสืาทั้งหมดนีจริงจริงที่ไหนถ้าเร่โชว์ปาก่า อุปถัมภ์ที่สุดๆแมังก็มักจไม่สบายฉะ น, น, น, น, นั้นสัพยาในเบื้องต้นไดยเฉพาะที่สัพยาทางวิชาการที่ทำงานทางการจะมีความต่อเนื่องในตัวเจีถ้าใครมีปัวเจสีทับจำูนบริเวณมน้าเสียงพบชื่อว่าข่าว ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางกายคือการอนุรักษ์รู้เรื่องทางกายส่วนมีบ้านอาหารเคื่องใา้สินงของยารละสะรารเคมีทีมีจิงพิสัปวะะ์ปคาทีา่เคยถูกจั์มันถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่สัตว์ ป, ป่ะก็แลายเป็นสิ่งที่เราเกิดมา อะารต่ก็ไม่ด่างให้เราไปเห็นกันดูที่เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมสัตว์ปรย่าไ่เหมือนกันเราจะดงเราคนนี้ด่างดูอาจจะคนใดด่างเจยตานช้าลด่างกลายเป็นไม้ด่างกลายเป็นพนด่งมันเหมือนกันโอ้ยว่าตัวอย่างนี้่ไปที่หน้าไปกำลังดูดีบอกคนนี้ด้าง มีบ้านเมือนพเราบ้านนี้มีครอบครัวแต่ให้ชอบอยู่บ้านก็อยู่บ้านไม่สบายไม่สุขคือไม่สบายก็เป็นอนใตถ้าไหบ้านบ้านเป้นไมาหน้างันถ้ากอเหือแล้วไันสบายรืางกายสบายใจสบายวะอะไรคือทาให้สิ่งเกิดขึ้น การกำลังเสริมรู้ทัศน์การไปดูเป็นอะไรยอะแยะมากันอต้องเียนรู้ด้วช่เดียนี้่คือสบาสนั้นทั้งแบบนี้ก็เพื่อไม่ใช่แบบชีวิตร่างกายเร่ออายุที่เรา้มาช่วงยะเวลาตั้งแต่เกิดจึงน้่งเรองอายุ กิดไจะได้มาก น, อน้อยเท่าไหรหรือจะได้ประโยชน์จากการเกิดจากการต่างนี่ต่หากเกิดมาแล้วไม่ได้ประโยชน์ถึงแตนราศศ์เเกิดนี้กันเกิดไม่ได้ประโยชน์เกิดตเป็นคนเหมือนกันเป็นนักเข้าใจเลยเข้าใจชีวิตเกิด ม, ม, มาทําไมเกิดมาเพื่ออะไร ้เกิดเราตายตายแล้วเก็ดอะไรขึ้นระบบวงจรกระบวนการส่วมันไม่อยู่ในสมางไม่อยู่ในแนวความคิดแต่ทางใช้ชีวิตการที่มันจยินจะฟังจะด้การเตือนปิดการจำองไรแบบนัน เปนการสอรรองเราต้องม่เหินกันตลอดตัวเพราะว่าเราจะรูการจงเราตรองมีเือนกันจักรยานที่ใครชถบาระเป๋าถืูหล้ังตัวถ้าสู่การรงมันพฤติกรรมที่ดีเยอะๆอันนี้คือประโยชนมการปฏิบัติธรรมกันตัวมันจำเป็นเร้จาเป็นมาก เพนาะงั้นหัวข้อต้องปฏิพูดมาให้ถ้าแต่ยังไม่เข้าใจยฏิปีนี้ไปต้องตุนใหม่ว่ราะากาสัปยาเป็นสบายนั่นมันอยู่ในตัวิดอยู่ใบายบอาตัวเองไม่ดเพล้วเองไม่ดีแล้วเป็นมากเกินไปหนี่งต้องสัปยะสองรู้จักระมาณ ดำนการต่อไปนช่วงใกลิดกนะเทศนึ้งึ้งที่สเพื่อเพื่อยทำในทำสิ่งนี้โด้มีระบบกฎเกณกาิการเมื่อเกิดเหตุรณ์จะนำตบทกฎหมายปติการกฎหมายจึงจะเร่งรัเพื่อเป็นกรอบบรรยุทธ์บรรทัดตีต่อไปดยมากเรปต้อยู่มาก นชีว like you know mm ิตเราเป็นการื่อกริจากดเลกดเป็นสายพอะไรทดีหนคุณเู็นตัวหนดการใชชีวิตมีสุขพดนาชีวิตที่ชีวิตต่างๆไม่ได้แล้วถ้าออกนออม่หลัเดี๋ยวี้มัจ สัตยาะมาธิมาธิแล้วก็พูดถึเลื่อนทินไปเลื่อนไาหารไปเอนยังไงถึงจะร่างกายมันจะประเดิดมีตัวก็เลอนไปที่มีตัวเขียวเรียนรู้สถิตเรียนรู้สถิตนะเพว่าพอที่อยึเข้าไปก็พเดมาเรียนรู้สติตางกายยื้าไป ที่เจ้านาท่านเลยปากไปเลวมันไมไ่รับตัวเพราะนั้นอันนี้ใช่ที่อ ย, ยอย่างที่สศรได้ดูใช้เวลาเวลาที่เราเหลือเราดแลตัวนี้ก็จะยังมีเวลาอย่นโลกนี้อีกเท่าไหร่คำนดูให้เราคิดถึงทุกอย่างอย่างน้อยต้องคิดไว้ไม่ได้ก็จะได้ไ้่ผิดหวัง ทีเดียวทีตีแต่การเวลาไม่ได้ใครมันไม่ละเทียนมันก็ถีครักกับทุกคนแต่คอไม่อยากจะโทษไปติการตอดเวลาระ่อบบไม่มีเวลาบาง่อง ก็เป็นเวลาของข้างนอกเวลาของการมันม่าจช่แต่ยังลุกหลับอีกสี่ห้นทำงนถ้าจะอ่างบอกไม่มีเวลามันก็น่าจะใช่ได้ตัวนี้่างจ่ากไม่ดีไปช่วยงานแไปทําหน้าที่สามารถวะทาตัวเองใประโยชน์ทำตัวเอมีชามีเีลาที่สนใจี่้องไม่ี ไปต่างวัดไปด่ช้ากลับมาสม่นมีอทำาีพวัดีวัหย่อมไม่ยู่ไปต่างประเทศกลัมาที่ี่สแปดถึงเมืองไทยที่ยี่สิบเกักหนึ่งวันการศึกมารศมีงานตถ้าไปชีวิตยุโรปวอนนี้เาไม่มีมาถึงเลาของการเปิดออก เวลาความิทมันจะ่เล่นจะไปเหมาหรที่จะไปยื่วกันเมื่อการมีเวลาผ่านไปนสิิ์ก็เลไม่มีแล้วจิตมันไม่มีการมีเวลามันท้าทุกตุกทุกอเรบทเวลาความสิทันี้เจกายถ้าไปเอากายเป็นที่ตั้งนลำบากจิตท้ายก็บอกว่าโอ้ยุอะขนาดนี้จิตจะจิไปไหนก็ลาบากแล้ว จะทำอะไรวอยากครับมันจะกลายเป็นข้ออ้างโอกาสที่จะทำความดีมันก็น้อยลงยโดยเอาอายุเป็นตัวจำกัดว่าอายุมากแล้วไม่ไหวครไม่ได้ชาความดีไม่ได้ก็ต้องคิดอย่านี้แต่แวอายุเลุกเกเอาแค่แล้วผมก็ปดระวางแล้วพอถึงเล้วตัวระบบพอแล้ว พักความ้วหาเวลา ก, กลับไปเองได้ไหมหรือเท่าไหร่เอาภุณ า, าเป็นตัวภูณาแปดสิบนะเพราะฉะนั้นหลังจา ก, กเปลี่ยนแล้วเป็นที่ให้เวลาที่สิบปีแล้วตอนนี้มันเลยหกไปแล้วเลยเจ็ดไปแล้วจะข้อเปดอะเลยแปดไปแล้วนะบอกว่าเท่าไหร่ภูณาถึงนกี่ตั ก็ต้มาต้องตื่นดูคืออายุสิ่งที่ เ, เราได้มาเมื่อเราอย่างนี้แล้วก็ไม่ถึงขสุดท้ายคือตัวการือารตัวคุณทำ ใ, ให้ชิดให้เป็นไปธรรมะบ้างนี่ก็แล้วกันตัวเปนมาธรรมต่างๆคคิดไเป็นธรรมะตางๆก็ความให้เป็นธรรมะพูดพูดได้เป็นธรรมะ ยเดินนั่งนอนนัางเป็นคันเพื่อจะทำมารรมจะได้เข้าถึงใจธรรมจะได้เข้าถึงจิตนกเราปฏิบัตินะประมาณเดินนั่งเดินมั่งนั่งนั่งนั่งเพื่ออิยาบถการปฏิบัติธรมไม่ใช่นี่แหละส่วนยืนกับนอนก็อธิบายก็เลื่องอริวัติไม่ิดเพื่ออะไรมา พอเรนนาไม่ได้ตั้งแต่เกิดตอนน้องยืนเี่ยตัยืนยังไม่พอเลยตอนนี้ตัไปแล้วยืนเดินนานาตั้งแตละยัมพยืนตเด็กทร่ะ้องทำใช่รับตอนน้องยนงไม่พอที่จะต้งยึดตั้่ยังไอแ่าไม่ถ้าพูดตั้่ยั่ลัก สติมันก็หมดเลยพอหลับก็มีบางคนละโลกแหละนี่ถ้าจะเกิ ด, ก ด, กดให้แม่ฟังมาจิตเืวอวจะร่างเป็นไงก็เอาตรงนอนนี่ไปจิตมาเข้าไปข้างในนี้ขางนตันี้มันมีเจออ า, ารมณ์ใจนันองหูตาจมูกที่นี่หูใช้หายใจอย่างเดียวเองให้อยู่ที่จิตอยู่ที่พลังให้จิตตนะัวนั้นจิตที่มันอยู่ในอัตตาตรงนี้ เจ็ดสชั่วโมงใช้เวลาทำงานโดยประมาณกี่ทุ่มต่อวันบางวันเวลาวันหนึ่งหายไปเจชั่วโมงโดยไม่เกิดบุณเกิดบากกปตัวเองเลยคือไม่มีบุญไม่มีบาปในขณะนั้นะเป็นดียังตู้ดีไหมไม่ได้เอาเวลาที่จะดสิบชั่วมงไปทำาปข้อดีของมันแต่ก็เสียคือบุญไม่เกิดไม่ได้อะไเลย อันนี้คือการนอนัานจะเตยในการนอนมากไหมนอนมาเจอเดรย์ทั้งชีวิตการนั่งกินการที่แวเด์สัชีวิวันพระวันเราทั้งคือวันพระเตยก็ในต่างเราชักช่วงกันเพื่อไม่ไดนแต่นอนวั้งแต่เ้วก็ยังหลอนมทนาเตยในสุขสีต่าง ดูเลยที่เพ้นไปที่เอ็มพีสองไปเอ็มพีอีกอย่างนึ่งเรจะบอกเองการร้องไม่นอนดูสภาพร่างกายจะเป็นยังไแล้วจเป็่การฝึกจิตหรือเป็นการฝึกจิตที่การฝึกฝืนจิตเพราะจิตกำลังฝืนปล่อยปะละเลยไปตามอารมณ์อาจจะเกินะไรคิดไปพูดไปพูดไาอะไรกันอันน้อะไรไม่ไม่ไปฝึกไม่ไปฝืนไม่คยกัน ที่เท่าเลยมันจสบายมาไปไนหะ้ทั้งหมดทั้งมวลฟังแล้วก็คือได้กระตืได้โฟล์คิดสติต้องปัญญาเมื่อเราเรานึกขึ้ามันม่ต้องเปิดปัญญาคือรู้คือ ร, รับรู้ในส่วนั้นไม่มากก็น้อยคือคิดได้ด้วยตนเองนั่นก็เรียว่าปัญญา มื่อัญญามันเกิดแล้วเราที่เข้าใจมันจะนั่งให้สมาในชีวิตในวโอ้ยยั้งมันไม่ตายง่ายๆเราอย่าไปคิดเราตเล็กที่มันสะสมมาทางชีวิตเราความเจ็บป่วยครือว่าโรคอะรโรคมันก็เริ่มปรากฏตัวเล็บขอบไปแล้วมันก็เริ่มมาแล้วที่สะสมมาทัวเก็ดมาจากไจากอาหารนั่นเองที่เราไม่คิดเลย เคี้ยวๆปัจจุบันจะอร่อยอยากจะใางเป็นโลสารพัดโลกตันี่นะอะไรก็เรอมารักษาเคี้รักษาเบางคนใช้ชีวิตนันปายอยู่รงพยาบาเพื่อรากาเรื่นั้นสุขภาวะมันจะมาจากไหนจรงจริงที่ว่าสุขค่ะก็คือสุขภาวะภาวะจิตวิญญาณนั่นเองถ้าใครมีสุขภาวะที่ดี เป็นสัพทยะกใช่ไหไม่อากเข้าข้องเพระนั้นวัดจึงเป็นตําแหน่งที่เป็นที่ที่สุดขภาวในสัปายาเป็นสถานที่ที่หนึ่งนศัปา์นี้และมักเป็นจ้าขทั้งศัพยะทั้งสถ้า ร, รวยในวัดแต่จะเป็นที่อื่นยากที่ศัพทยานี้จะมีครบพระนั้นเราจึงนียมเข้าวัดตากันตัน้งต่เดาเพราะ เป็นสถ า, ทานที่สัปปดปายังพงนี่คือทำไมครับจะไปเจอเพศสภาด้นวันนี้ก็กเราก็เป็นแนว้อหนึ่งนวคอิดียวกันเนื้อเดียวกันนะสีาพจะเจมี่ัดะยะมากบัตว่วันเนี้ยว่าเราใ้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่สบายในขณะที่ยังมีอายุเจอระ่าดเกิดตายพูดง่าย ถ้ามันไมนมีอายุอทั้งหมดหมดอายุเหมือนกับยายามันก็เหมือนที่หมดอายุก็แปลว่าเราจะต้องกินยานี้ในขณะที่มันยังมีอายุเช่นยานี้สามปีก็แปลว่ายานี้มันจะมีประโยชน์สามปีก็ได้งสามปีเราก็ไม่ใช้แล้วมันประโยุมันแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วในขณะที่ สมบัติมียุ3ปีแต่เราไม่ใช่เลยอันก็หมดไปโดยธรราติตรงเวลาหมดไปอยาเราไม่ได้ใช้ธรรมะเคยเหมือนกันในกระดาษที่ยังเกิดตายอายุหรือธรรมะในการมีล้เาเจริจเอ่ามาใช้แต่เราไม่ใช่เลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ตัวต่อตนต่อเราต่อเขาสัพอาทั้งหลายอจจะมีตัวสุดท้ายเกิดตายฟลีกคือตายเปล่าคือไม่ได้อะไรคืไม่ตอเลยเป็นใ้เรื่องที่น่าัดรโลกมนุษย์นี้เป็นโลกของการบำเพ็นบุญเพราะมีทุกอย่างให้เราเห็นโลกอื่นนี้ไปสวยไปสวย้น ไห้สวยแบบที่จะไม่เ <implemented> ห็นอย่างมีเย็นต้อนอดเปรียบสุขสัลภติ้ง้าเราตัดสุขสุกสมหวังใหม่สมวังฟ้าแล้วมันมีในโลกนี้เท่านั้นก็เป็ไม่มีนั่นแหละบารมเราตัวเราโชคดีที่มาสร้างบุสร้างบารมีบำเพ็ญบุญเป็นบารมีเกิดมาเป็สร้างบารมีแต่ไม่ทาอะไรเลยมันก็ไม่ได้ ไปมือเปลา่าอนา็ตตอนจบครับอันนี้คือธรรมะ ก, ก็แบบว่าเราเช้าวันนี้เราคิดได้โดยปันเองคิดได้มันสัการปฏิบัติคิดได้ตคค้องทำได้ด้วยนะถ้าคิดได้ทาไม่ได้มันก็มีเดือดแล้วครับไม่คือสาระธรรมะแบบฝากราเช้าวอนนี้พ้กงเป็นแนวในการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องไม่เบื่้หน่าในชีวิตในวัยในวันเวลา เปเป้าจะการเปิเยจากการทีงทำสุขเสร็จจะขอหมตนาความจริงเจอธรรมะหรือไมเป็นคนจัดนำชอบลหามาเพื่อนบรรลุธรรมะเป็นเพื่อการภาวนาจะไม่มีทุ้ปฏวันามอื่นถ้าไม่เป็นผู้วัตนามเปเผยกินการบำบัดในการบำเท็เป็นอย่าง ขอให้ทุกคนอย่าลืมวุฒิธรรพจะจำความดีทุกครั้งทุกอย่างที่เราทนี้ให้กับบรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่คือญาติย่าคุณผู้คณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญทื่พวกเราต้องรักําตันไปเรื่อย